ท่านสาธุณรณชนบือบริษรัทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิ่สุสมณเณรทั้งหลายวันนี้คงยังเป็นวันที่เจ็ดตุลาคม2 5 2พันห้า้ยี่ิบหเป็นวันบันทึกเสียงแต่ว่าผมอัศเศียหน้าที่แล้วมารู้สึกยแย่มากเสียงแย่เพราะว่าร่างกายเพียหนักก็ไม่เป็นไร สำหรับหน้า น, นี้ก็มาพูดทบกทุนกันทั้งข่านเปลือกเปลือกความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนบิณฑษสมนเองก็ดีก็จงอย่าทิ้งสะเก็ดพยายามละเลา ะ, ะสะเก็ดของเราดีเกาะสะเก็ดให้ได้ เละสะเก็ตความชั่วทิ้งไปเกาะสเก็ตข้างความดีแล้วก็ถ้าในสเก็ตของเรายังไม่ดีเพียงใดก็จงยา น, นึกว่าเปลือกของเราจะมีเข้าใจตามนี้นะอย่ากระโจนข้ามคิดว่าโดยเข้ามาแล้วเราจะปฏิบัติด้านปรามัตบตบารมีและปริมัตตปรามัตตปฏิบัติได้ ท, ทันทีต้องค่อยๆทําลายความชั่วขั้นต้นเสียก่อน คือกำลังใจที่เลวในได้ของขสะเก็อย้า้มีปฏิวปธานั้นเป็นปฏิัธาที่ดีเป็นความดีอันดับแรกของในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นความดีที่หมิ่นเหมยมากยังไม่เข้าถึงความดีที่จริงจังตอนนี้มาเข้าถึงเปลือกเข้าถึงความดีที่จริงจังถ้าบัรดาท่านพุทธบริษัท และเบนดาเพื่อนพิสุสมาเน่ทั้งหลายทรงทั้งสเก็ก็ดีทรงทั้งเปลืยกก็ดีได้เดินสอนบระการท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานเนี่ยก็ทรงกันแบบนี้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมจะศักดิ์ที่ว่าเป็นนั่งหลับตาผีไม่ใช่อย่างนั้นที่ <c oughs> สมเด็จพระทรงท่านทรงตรัสว่าให้สังวรคือละมัดระวังในงนิวรสีในสังวรสี ก็ผมก็ขอย้ำว่าขอทุกท่านสำหรับสามนเณรต้องสินสิบแล้วก็มีเสกียวัตรอีกเจ็ดสิบห้าเป็นการรักษามน ญ, ญาติสำหรับพระต้องเป็นสิขาบทสองรย่เจ็ร่วมด้วยพิสมาจารย์แล้วก็สำหรับญาติโยมพุทธโดยสา์ขั้นต้นก็ต้องมีสินห้าบวกกรบมบสิบ คือ บ, กบทกำหนดสิบกระหม่อความเพิ่มสุราเข้ามาอีกตัวหนึ่งสําหรับคนที่มีจิตหยาบคนที่มีจิตหยาบจะคิดว่าสมเด็จพระบรมโลกก น, นาฏในกํานดสิบไม่ได้ม่ได้ห้ามสุราได้มีไรไปทําเข้ามันจะเป็นโทษหนักแล้วก็สําหรับบรรดาญาติโยมบริษัทที่มีกําลังใจสูงกว่านั้นท่านยาทรงสินแปกกดก็ดีเป็นเรื่องของท่าน แต่ก็ขอชมบัณดีว่าศีลแปดไปศีลพรทธมร์จดีมากรวมความว่าการนะมัดระวังเรื่องศีลมีความสาคัญมากเป็นอันดับแรกเจนว่าหนึ่งสเก็ดสะเก็เป็นกำลังใจให้โยกโครงมีการทนงตัวมีการอิจฉาสยามีการอยากได้โลกโมโทสันอยากเป็นท่านรับใช้ของคน อยากให้คนนั่งขอรบอยากให้คนนี้นับถือแต่ <c oughs> เห็นว่ามีคนดีกว่าอิจฉาดิสยาเขาทนไม่ได้แล้วก็มีกําลังใจท่านนองอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งไปให้หมดต้องนั่งไล่เบี้ยหมดนะครับว่าสะเกตที่พระเจ้าว่าเกาะสเก็ดมีผลดีแค่สเก็ดมีอะไรบ้างระวัตระวางใจให้ทรงตัวนี้ไม่มีมาเปลือก เรือก็ได้กันหนึ่งศีลสองระงับนิวรนี่ก็สามทรงพระมีหานสี่ผมจะพูดย่อยๆที่ท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกอาจจยาวเกินไปสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทพระปังบางท่านอย่างที่เรียกว่าเข้าไปในป่าช้าบ้างป่าชัดบ้างปฏาที่ว่างปล่าบ้างปฏิลอมฟงังว่าปฏิแจ้งบ้างจะไม่ไหวสําหรับเรา แม้กระบางท่านคิดว่าหลังจากบริโภคอาหารเช้าแล้วเราไม่เหยบพระถ้าพระมีความจําเป็นหลังจากฉันพัตนาอาหารเช้าแล้วทำวัดสวดมนต์เสร็จแต่งานการที่จําเป็นไม่มีคนตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นทำกาลังใจสูงตามพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอันนี้เป็นการส่งฌานสําหรับญาณโยพุทธบริษัทสรงฌานทํำยังไง ก็รองกว่าว่ามีกำมวดสิบแล็มีสินห้าครบ <c oughs> หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่พุดธพฤติกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรนั่งด้กายทั้งว่านวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดวาจายหยาบไม่ยุยาแตะแขงเสร็จให้เกิดความแตกเราคขันแลสร้างความเข้าใจผิดและวายจาที่ไรประโยชน์ <c oughs> แล้สําหรับด้านจิตใจจิตใจก็ไม่เพียงเล็งโลกคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์โทษโลกนี้ไป น, นิจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกนี้เป็นทุกขังเปนิจังที่หาความเที่ยงไม่ได้ก็เพราะว่าโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีเกิดขึ้นในเบือเ้องต้นเสื่อมเป็นท่ำกลางแล้วก็สลายตัวเป็นที่สุดคนเกิดมาแล้วจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนแก่แล้วก็ตาย ยังมีทุกข์กไม่ครอบงำคือความหิวบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างปวดอุจจาระปัสสาวะบ้างความป่วยไข้ไม่สมบายบ้างความปรารถนาไม่สมหวังบ้างความพัดพลาดจากของรักของชอบใจบ้างความตายบ้างอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยู่ในโลก แล้วก็คิดว่าถ้าเราจะกลับมาเกิดเป็นโลกอีกต่อไปเมื่อไหรก็ตามที <c oughs> ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็ติดตามเรามาตลอดเวลาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าบอกจงอยาเพ่งเล็งโลกเสียทั้งหมดในก็ะหม่อมความจงหยาจิตเข้าไปเกาะโลกเสียทั้งหมดเห็นว่ามันเลวเห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่เราต้องมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีกิเลสคือมีกิเลสตัณหาปาทานอโหศนุน ก, กรรมสี่อย่างเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดในโลกนี้เราจึงมีความทุกข์เราจะต้องหาทางบรรกรรมจากกิเลสตัณหาปาทานและอกหสุน ก, กรรมให้พินาศไปแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าเราจะต้องกําจัด ความโกรธความย่ำบาดให้สลายตัวไปจากใจอ <c oughs> ีนี่ก็หาทางยับยั้งก่อนก็แล้วกันในตอนต้นเราอาจจะกําจัดไม่ได้ยับยั้งไว้ก่อนการกําจัดว่ากันตอนท้ายถ้าว่ากันตอนนี้จะหนักใจมากเกินไปในะอันดับแรกนี่คิดว่าให้ตั้งใจคิดเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นทุกข์ โลกมีการสลายตัวแต่เราเกิดในโลกแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นไม่น่าจะมาอีกรายการในสองเราจะระงับใจเรื่องความโกรธความเยาบาดไม่พยายามสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นและรายการในสามสมเด็จพระผู้มีพระพ้ายเจ้าทรงจัดนันนิวร์นะนี่ที่ว่ามนีพินิวรณ์ห้าทีนั้เปท่คือความง่วง สำหรับความง่วงในบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ต้องสังเกตว่าเราง่วงแล้วเราเพลียบางทีก็เพลียมันก็มีอาการคล้ายง่วงอันนี้เวลาที่เราจะทําความดีนพยายามรักษาทําเวลาที่มันไม่ง่วงมันเวลาไม่เดึกเกินไปไม่นอนเด็กเกินไปหรือไม่ตื่นเดึกเกินไปพักผ่อนให้ส บ, สบาย เวลาจะพักผ่อนก็เราอ า, า, ารมณ์ประกอบด้วยสติสมัมปชัญญะมีการไข้ควรพิจรารณาด้วยภาวนาตามที่เราเคยชินให้ติดทรงตัว <c oughs> เคยภาวนาว่ายัางไงภาวนาว่าอย่างนั้นเป็นจังหวจะหลับจะดีมากเลยเคยพิจารณาแบบไหนตัดแบบไหนทำตามตามใจชอบให้มันตรงกับการเจริญพระกรรมฐานก็แล้วกัน วิลิยาในการเจริญพระกรรมฐ า, านนี่มีมากสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าตัดไปเยอะชอบใจจุดไหนทำจุดนั้นตามสมบายใจของเราท่นนี้ก็สาหรับที่นิมิตะก็มีความป้องกันคือว่าอย่าฝืนก็แล้วกันเราจะทำเวลาที่มันเพลียอย่าทำที่เวลาง่วงถ้าเพลียหรือง่วงนอนเลยนอนภาวนา น, นอนพิจรารณาก็ได้ ไม่ใช่ว่าฆราวาส ต, ต้องเป็นอดุงกายยั้งมิทายะกินข้าวเสร็จไปนั่งเข้าป่าหรือไม่ต้องทํามาหากินไม่ใช่อย่างนั้นสมัยพระพุทธเจ้าทั้งกอดเขาทํามาหากินกันไปกันเป็นพระอริยเจ้าก่อนเยอะฆราวาสทําตามตจังหวะเวลาเวลาจะทํางานทุกอย่างก็เป็นผู้มีสติสมัชยญญะทําด้วยดีรู้ตัวด้วยดีถ้าหาก ว, ว่าบังเอิญจิตมันโปรง่งหนื่อยน้อย ก็คิดว่าคนที่ทํางานอย่างนี้อย่างเราปู่ย่าตา ย, ยายท่านก็ทํามาต้นตระกูลต่างๆท่านก็ทํามาแต่ที่สุกเวลานี้ท่านนัหลายเหล่านั้นไม่มีตัวแล้วตายไปหมดเราที่ทํางานประเภทนี้ก็อย่าทําได้ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันอันนี้จัดเป็นบรณานสุสติกกรรมฐานเวลาใดถ้าไม่ง่วงละเวลานั้น ต่อไปก็อุเทจร ก, กุจจะอารมณ์ฟุ้งนอกลูก่นอกทางอันนี้มันก็เป็นธรรมดาองบันดาแทนพุทธบริษัทจิตใจของเรานี่มันคบกบอารมณ์ฟุ้งมาแหลมไหลแสงกลับแลืไ ห, หลายอสงไขกลับเราเกิดมาแล้วนานแสนนานเท่าไร่ที่เวีนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราก็ไม่สราบก็ในระยะนั้นตั้งแต่เกิดวาระแรกจนทั้งปัจจุบัน จิตของเราคบค้าคบคาสมาคมกับไอตัวฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาดันั้นการฟุ้งซ่านนี่ต้องค่อยๆระงับจะกระโจนจับทีเดียวให้ทำลายพิณากไปอันนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ถ้าเครียดเกินไปเป็นอัตจกิมรรานิโยพระพุทธเจ้าทรงตำหนิหวังอยากได้ดีเกินไปเกเป็นการมรรคานิยโยพระพุทธเจ้าก็ะทรงตำหนิบพรไม่บรรลุมรรคผล ต้องค่อยๆทําใจสบายๆผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไ <c oughs> ื่ว่าเราจะถือว่าเราชนะนี่นิวนคืออุทจักขุจัเสมอไปนั้นไม่ได้ส่วนใหญ่อันดับแรกนิวรนจะต้องชนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราชนะนิวรนเพราะอะไรไหมถ้าภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดี การกำหนดรู้ล้ไม่ใจก็ออกก็ดีมันจะทรงตัวอยู่ได้ไม่นานแต่เดี๋ยวจิตใจก็พุ่งสร้างคิดโน่นคิดนี่ไปตามาาเรื่องทําราวทีนี้เราจะทำยังไงไม่ใหม่ต้องทําตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรว่าอันดับแรกอย่าใช้เวลาให้มากเกินไปใช้เวลาควบคุมนน้อยที่พระพุทธเจ้าทรงตัด ว่านับหนึ่งจากการภาวนาแ ล, ล้วลมหายใจเขาออกก็ได้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงสิบถ้าจิตยังมีการรู้อารมณ์นับประเภทนี้ถี้ว่าจิตมีสมาธิหรือว่าถ้าเราภาวนาอยู่ก็ภาวนาแค่สิบ ภาวนาจบหนึ่งขยับนิ้วคราวหนึ่งขยับนิ้วครั้งครั้งหนึ่งถึงสิบใช้ได้ในช่วงสิบนี่เราจะไม่ยอมแพ้อารมณ์องนิวรเราจะไม่ยอมให้ใจคิดอย่างอื่นเป็นอันขาดถ้าใจคิดนอกรลกนอกทางจากที่เราภาวนาและพิจารณาเราจะเริ่มต้นใหม่ให้ถึงสิบทำอย่างนี้ไม่ช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตของท่านจะชิน การหักห้ามออทจัจกุคจกคจจะสามารถจะทรงได้เป็นสักครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ได้ทําให้มันินแต่เวลาทําจริงๆถ้ามีรมพุ่งสั้นจะจริงๆให้เลิกเสียอย่าทนถ้าทนนะํามันจะเป็นโรคประสาทปล่อยใจให้สบายๆเที่กล่าวว่าต้องบ้าต้องเครียดต้องเป็นโรคสมองสัตว์ั่งเครียเกินไป เร่งรัดเกินไปอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงห้ามที่บอกไว้แล้วว่าหนึ่งอัตตะกิเลสฐานโยกถึงขั้นทรมานนิห้ามเจดิชัดแล้วสองกรรมสุขานิการนิโยกเวลาจะทําอยากได้เกินไปก็ทรงห้ามต้องใช้มัดที่มาปฏิปทาคือสบายสบายพอมาเริ่มไม่สบายก็เลิกมันเวลาไม่ได้มีเท่านั้น มันเวลามีต่อไปเพราะกำลังใจดีเริ่มทำใหม่แล้วก็เวลาพักผ่อนกับเมื่กันเคยพักผ่อนนอนเวลาไหนนอนเวลานั้นอย่าให้เดือกเกินไปการทรมานเดือกเกินไปแล้ตื่นเร็วเกินไปกว่าที่เคยเคยปฏิบัติอยู่เป็นผลร้ายเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนนอนเวลานั้นตื่นเวลานั้นแต่ว่าขณะตื่นอยู่ให้จิตมีสติสมัมปชัญญะ คิดไม่ว่าชีวิตของเรานี้มันต้องตายเราจะส่งความดีไม่ยอมให้รมร้ายคือนิวรณ์ห้าประการเข้ามารบ ก, กวนใจเราหลังจากนั้นก็ยาำหักข้างกันนองใจนี่ข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาองค์สมเด็จรมมรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติคือกุศลกรรมที่เราทำความดีที่เราทำ ในการทำความดีขั้นสมาธิในบรรดาทั้งพุทธบริษัททีสิ่งที่น่าสงสัยเยอะเพราะว่าปรีอารมใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทางนี้พ่อะไรพัดเดิมทีเ ด, มทเดียวใจเราหมกมุน่นไปิกิเลสมันก็ดำมืดไม่มีอะไรสว่างการเจริญพระกรรมฐานทำจิตไปสมาธิถ้าระงับนวิวรณห้าครบท่วนมาไร สามารถตัดความสงสัยขั้นดับสุดท้ายนวิวรห้าขอย้อนอีกครั้งหนึ่งคืนหนึ่งอันดับแรกไม่เพ่งเล็งโลกอภิชาขอโทษอันดับแรกกามายฉันทะคือเราไม่ไม่สนใจกับกามคุณกามคุณคือรูปเสียงเสียงเพราะกลิ่นหอมรสร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้เราเวน้นเฉพาะเวลา นี่หายว่าคนมีสามีปัญญาแล้วต้องเลิกกันไม่ใช่อย่างนั้นเฉพาะเวลาที่เราทำสมาธิก็เป็การที่สองความโกรธความเยาะบาดในกาณิสามความง่วงในกาณิสี่อารมณ์ฟุ้งซ่านป็นกาณิห้าความสงสัยถ้ากันหนัใดถ้าเราจิตเราระงับที่วนหประการได้ขนาดนั้นจิตเป็นฌานคือเป็นปฐมเป็นฌานในอันดับแรก อาจจะเป็นชาญสูงยิ mm ่งกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นขออนรดาต่ปนพุทธบริษัททั้งหลายนีบวนห้ารายการคือหนึ่งความสนใจในการมาคุณสองความโกรธความเย้บาทสามความง่วงสความฟุ้งซ่านลำคาญห้าความสงสัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทําให้ปัญญาถดถอยถอยหลังไปหรือความดีมันไม่แปรกฎทาำชั่วความชั่วมาแทนความดีก็ถอยหลังนี้ไป ที่สมเด็จพระสมาาณะเจ้ากรมพระยาเวชยานเวโรรถนแปลว่าเป็นคุณชาติกั้นความดีนั้นถูกต้องกั้นแล้วไม่ทรงตัวความดีมันถอยไปด้วยยา้มีกับใจเขาบรรดาท่านพุทบริษัทแต่มันก็ต้องมีมันมีอยู่บ้างแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้กำลังใจมาไหยให้นิวระงับทันทียามปกติก็มีความรักในระหว่างเพศความไม่พอใจก็มีอยู่ ความง่วงก็ต้องมีอารมณ์ฟุ้งสั้นก็ต้องมีความสงสัยเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีแต่ว่าพอจะใช้กําลังความดีของจิตกสมาจะระงับทันทีความสงสัยนี่เราไม่สงสัยแคเพราะผลความดีในด้านกุศลเท่านั้นอย่างนี้จิตจะเป็นฌานสมาบัติทันทีหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระภุทธกวัณมอกี้ในย่องเอา พร ม, มิหารสีไปพูดในเก้าแทงกรรมชันท่าสนานเขาโปรดทราบด้วยนะต่อมาก็ให้ทรงพร ม, มิหารสีตอนนี้นะสาคัญมา ก, กอนดาท่านพุทธบริษัทถ้าทุกคนบุคคลใดทรงละนิวอนห้าได้และงับได้แล้วพร ม, มิหารสีส่งตัวสินของท่านจะบริสุทธิ์เรื่องสีนนี้ไม่ต้องห่วงบริสุทธิ์แน่นอนเพราะใจเยือกยิน สมาธิก็อย่าทรงตัวเรื่องฌานให้ทรงตัวตลอดวันการทรงฌานนี้ไม่ใช่หลักตาปีนะจิตจะทรงฌานแต่สงบถบอยู่เรื่อยๆต้องการใช้ฌานสมาบัติอะไราใช้ได้ทันที <c oughs> แล้วก็เนเน้นถ้าจิตทรงฌานและบรรดาบบธรรมริษัทถ้าจะฝึกทิพยุขยานก็ดีภพเพนิวาสานุตยาณก็ดีเป็นของง่ายมาก <c oughs> พื้นฐานสำคัญอยู่ที่แค่เปลือกเนี่ยเปลือกกับสะเก็ดสองอย่างสำคัญมากถ้าสเก็ดดีเปลือกดีท่านไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดเรื่องชาลโลกีหรือว่าการตัดสังโยตเป็นของไม่หนักสำหรับท่านมาคุยกันต่อไปคณิสสององสมเด็จพระจอมใจกล่าวถึงนี่ว่ากล่าวถึงพระมิหารสี่พระมหารสี่คือหนึ่งความรัก สองความกรุณนาสองเมตตาหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารสี่มุทิตามีจิตอ่อนโยนห้าอุเมคขามีอารมณ์บางเฉยท่านบอกว่าให้แนะนำกระมรดาท่านพุทธมริษรัท่านบอกว่าคนทุกคนตื่นขึ้นมาเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ใช่อารมณ์ใจ ทำจิตให้เป็นสุขคิดว่าคนในโลกทั้งหมดและก็สัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะเป็นมิตรดีสำหรับเขาเราจะไม่ประกาศตนเป็นเวรเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ใด <c oughs> และยังมีกำลังใจในด้านความรักคนแลศสัตว์ทั้งหมดเสมอในตัวเราเองคิดว่าอย่างนี้นะแลวรบริการที่สอง เราจะมีกรุณาความสงสารปรารถนาจะเกื้อกลูลคณสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ไอการทำเนี่ยการสงเคราะห์ไม่ได้หมายว่าให้ของเสมอไปอาจจะเป็นการแนะนำแสดงความยินดีมีความหวังดีก็เป็นการสงเคราะห์อยู่ในใจ <c oughs> อย่างนี้ก็ใช้ได้ ถ้าบริการในสามีมุตุตาจึงจิตไม่อิจฉาที่เสียไข่เห็นคนอื่นได้ดีพ อ, อยินดีด้วยแทมแจิตใจให้ชุ่มชื่นและก็ข้อเสียวเบขาเมียรมบางเฉยเฉยในการกระทำของบุคคลอื่นเฉยในเฉอในการเคลื่อนไหวทางกายพอทีเคลื่อนไป นั่นหมายความว่าถ้าเขาได้ดีเราก็เฉยไม่ช้าดิสหยเขาจิตจิตพอยินดีด้วยแต่ว่าไม่กันก็แล้งถ้าใครเพื่องพัฒน์ในความลำบากไม่ซ้ําเติมใําบากไปยิ่งกว่านั้นถ้าจิตใจพร้อมกับการมีสงสารมีเมตตาหวังจะสงเคราะห์ถ้ามีโอกาส <c oughs> รวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อทรงสะกิต ด, ดีแล้ว อันดับแรกก็หันจะเข้ามาจิตทรงศินคือกระพริมหาสีให้ครบถ้วนอย่าลืมนะครับอันดับพิสุท์สมณเณร <c oughs> อย่าคิดว่าสินห้ามีไว้เฉพาะฆราวาสหรือกำหนดสิบมีไว้เฉพาะฆราวาสถ้าพระกับเนไม่สามารถจะทรงสินห้าบางข้อไม่สามารถจะทรงกำหนดสิบบางข้อได้แล้วมันเลวจัดนะครับ คือมันเลวยิ่งกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกทางนี้พ่อไร้วัตตายจากความเป็นคนไม่ได้กลับมาเกิดในโลกไม่จะเป็นสัตว์ฉันเหลวก็มาเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดใน เ, เวจีมหารกดะนั้นท่านเป็นพระเป็นเลนย่าธนองตนก็จงอย่าคิดว่าการบทพระ บ, บทเลนเป็นของดีแล้วสาหรับเรา ต้องดูจริยาที่เราประพฤติปฏิบัติว่าขั้นสะเก็เราทรงตัวได้ดีแล้วหรือยังธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตาหนิที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเป็นอุปกิเลสทั้งหมดทั้งสองตอนที่กล่าวมาอาการอย่างนั้นเรายังฝืนทำอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังฝืนปฏิบัติยังทำอยู่ข้อใดข้อหนึ่ง ก็แสดงว่าเราเลวไม่เข้าถึงสกเสกจของพระพุทธศาสนาการทรงผ้ากาสาวัตถ์ั่เป็นรงชัยพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นการปลอมตนทําความช่วยเกิดกับพุทธศาสนาจะถือว่าเป็นกาฝากก็ได้จะถือว่าเป็นสุนัขบ้าเข้ามาอยู่ในฝูงสุนัขดีก็ได้ทําสุนัขดีทั้งหลายให้มัวหมอง ทำสุนักดีทั้งหลายให้เกิดมีความเดือดร้อนและก็ทำลายความดีของพระพุทธศาสนาเรื่องยศถาบรรดาศักด์พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นโลกธรรมใครท่านมียศถาบรรดาศักด์ก็อย่าไปติดเตดียนท่านเพราะว่ามีผู้ถวาย จัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งของท่านแต่ว่าท่านติดยศถาบรรดาศักดิ์เกินไปถือว่าเป็นความเลวของท่านเมื่อท่านจะดีหรือท่านจะเลวให้มันเป็นเรื่องของท่านเราก็ไว้ส่วนใดที่เป็นอุปกิเลสอย่าเวลามองคนอย่ามองเฉพาะเปลือกนอกมองในด้านจริยาแต่ว่าถ้าเ้ามีจริยาดีถูกต้องขั้นสเส ก, กก็ดีขั้นเปลือกก็ดี เราพยายามจำเอามาไปพุทธปฏิบัติเห็นว่าเขาไปไปชนอุปกิเลสเข้าเราก็จำเหมือนกันจำสำหรับละเพื่อเราดางนั้นขอบันดาภิสุทธิสมเนธอัหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> จงรักษากำลังใจทางสมรรคการนี้ครบถ้วนขั้นต่อไปขั้นหน้าในขั้นเปลือกโคนดี ได้ขอโทษในขั้นกับพี่ก็ดีในขั้นเก่งก็ดีมีความสำคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมากและขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าตามที่นำเอาธมริกาสดนมา่กล่าวนี้เป็นถ้อยคำของค์สมเด็จพระสัมมาทัทเจ้าที่ทรงยืนยันว่าจะถาคตสอนคนอย่างนี้และท่านผู้รับกนสอนได้บรรลุมากคนสมความที่ตั้งใจ อันนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้ไปหวังว่าท่านหลายคงจะไม่เปรีปะคงจะไม่ทำอะไรเปะปะเปรปะสร้างความเสียหายหเกิดขึ้นกับตัวใจของตัวเองและบุคคอื่นและพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องจริยาเลีย ว, ว่าจะมีความสำคัญอย่าพริกแปลงคำสอนของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเทวดาก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องพรก็ดีเรนิพานก็ดีนรกเปรตสุรกายก็ดีมีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามีและทุกเรื่องพระเจ้าจะเกี่ยวข้องกับพรเทวดาอยู่เสมอฉะนั้นถ้าไปที่ยิงใครก็พูดว่าเทวดาไม่มีเทวดาเป็นลายเสียแล้วก็อย่าไปเชื่อเขานื้อใจงเข้าใจว่าท่านโพ น, นั้น ท่านยังเข้าไม่ถึงสกเสกของพระพุทธศาสนาก็จงอย่าสนใจสุงเวขาไว้อย่าซ้ําเติมกันอย่าไปกล่าวโจดโทษให้เกิดความเสื่อนใ จ, จเจริญไปมากกว่านั้นเพราะคนเลวประเภทนั้น <c oughs> เขาไม่มีความรู้สึกตัวเราจะต้องปล่อยเขามีความรู้สึกตัวไปเอง วันเรามีการต้องการอย่างเดียวคือหนึ่งรักษาสะเก็ดให้ทรงตัวรักษาศีลให้ทรงตัวระ <c oughs> ง, งับติวรห้าให้ระ ง, งับได้ทันทีทันใดที่เราต้องการรักษาต้องการระ ง, งับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมิหารสีพรมหรพรมิหารสีนี่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วต้องมีพรหมิหารสีตลอดยิ่งกว่าจะหลับ ให้มีสติ ส, สัญปจใยะสมบูรณ์แบบว่าสมภมิหารสี่มีอะไรบ้างขึ้นหนึ่งรักจิตเราจะมีอารมณ์รักคนในสัตว์ในโลกเหมือนกับตัวของเราจิตเราจะมีความสงสารคนในสัตว์ในโลกเท่ากับสงสารตัวเราจิตเราจะไม่อิชาดิสยาใครให้คนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยจิตเราจะทรงความเบิกขาไม่ซ้ำเติมบคุคคลผู้ใดเมื่อเพียงพรา แม้แต่ร่างกายของเรามันช้าลงไปทุกวันวันเราก็วางเฉยถือว่ามันเป็นองธรรมดา <c oughs> ว่าธรรมดาของร่างกายต้องมีสภาพชอกช้ําแบบนี้เป็นปกติอรบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เวลาหมดแล้วหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคขาจะทบทวนในได้านสเก็ดกับกับเปลือกไข้ทรงตัวให้ได้ กำลังใจส่วนใดที่ฝา่าฝืนความดีขั้นสเก็ตขั้นสเก็ตและขั้นเปลือกขอทุกท่านจงลงโทษตัวเองว่าเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาและพยายามสร้างความดีต่อไปอรับันดาแทนพุทธบริษัททย์หลายโดยทนหน้ามองดนเวลาห ม, ห, ม ห, มหมดหมดหมดดีก็ขอยุติวาเาีตงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัติพ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผล ยงมีแดบรรดาแตนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี